ปัญหาข้อที่1ิอธิบายและตอบปัญหาเรื่องจริงหรือไม่ที่หมาเห็นผีแล้วต้องหอนกับเรื่องความค้างคาใจของคนตายยังวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นและทำเสียงให้คนได้ยินซึ่งตามเรื่องนั้นกล่าวว่าจะต้องมีเสียงหมาหอนก่อนทุกครั้งปัญหาข้อที่14เสียงสุ น, นัขหอน ในหนังสือการติดต่อวิญญาณหน้า155เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไว้ว่าในเดือนพฤศจิกายนพฤจ ศ, ศักราช1935ดิฉันได้รับเชิญให้ไปสืบสวนดูบ้านหลังหนึ่งซึ่งปรากฏว่ามีปีศาจวนเวียนหาเอกสารที่หายไปอยู่ตลอดเวลาบ้านหลังนี้อยู่ในเซอร์เลผู้เป็นเจ้าของเป็นนักธุรกิจที่มั่งคั่งอาศัยอยู่กับเลขานุ ก, การและแม่บ้านของเขา นับตั้งแต่เขาได้ครอบครองบ้านหลังนี้เป็นต้นมาก็ได้ถูกรบกวนอยู่บ่อยๆโดยมีเสียงแปลกประหลาดปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วเรื่องเช่นนี้ก็ทวีความรุนแรงและถีขึ้นทุกทีจนผู้คนอยู่ในบ้านนั้นเริ่มรู้สึกว่าไม่สามารถจะอยู่ต่อไปด้วยความสงบสุขได้บ่อยครั้งทีเดียวผู้เป็นเจ้าของบ้านต้องสะดุ้งผวาตกใจตื่น ในเมื่อได้ยินเสียงสุ น, นัขอันเซเชียนที่เข้าให้อยู่ในห้องเดียวกันนั้นส่งเสียงร้องหหยหวนอย่างน่ากลัวและทุกครั้งหลังจากที่การหอนอันโหยหวนนั้นได้หยุดไปแล้วก็จะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปมาวนเวียนอยู่ในที่หลายแห่งซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่เลยตัวเลขานุการเองก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นหลายครั้งในเมื่อเห็นหน้าปีศาจจ้องมองดูเธอในถ้ำกลางความมืดตัวแม่บ้านเอง ก็มีเรื่องที่น่าเสียวสยอ่งเช่นเดียวกันนี้เหมือนกันสรุปความแล้วก็จะเห็นได้ว่าบรรยากาศของบ้านหลังนี้ก็ไม่สมควรที่มนุษย์จะอยู่เลยจากเรื่องที่เอสเทลโลเบิร์ตได้กล่าวไวน้นี้มีปัญหาที่น่าสงสัยอยู่หลายอย่างเช่นทำไมคนในบ้านจึงได้ยินเสียงเดินของโอปปาติกะและบางทีก็ได้เห็นภาพด้วยเนื่องจากปัญหาอย่างนี้ ได้เคยตอบมาแล้วเพราะฉะนั้นจะไม่อธิบายปัญหาที่ควรจะอธิบายมีอยู่อย่างเดียวคือเหตุไรสุนักจึงหอนในเมื่อมีโอปปาติกะเข้ามาใกล้การที่สุนักหอนนั้นเป็นเพราะมันเห็นแล้วเกิดความกลัวหรือว่าเป็นเพราะเหตุอะไรต่ตามความเข้าใจของคนทั่วไปนั้นถือว่าสุนักหอนในเวลากลางคืนก็เพราะมันเห็นผี เรื่องนี้ข้าพเจ้าเองก็สงสัยจึงได้เรียนถามท่านและท่านก็ได้ตอบว่าการที่สุนัขหอนนั้นไม่ใช่เพราะมันเห็นแต่เพราะมันได้รับความสันสะเทือนที่มาจากกระแสะวิญญาณของโอปปปาติกะในท่านองเดียวกับเมื่อสุนัขได้ยินเสียงระฆังตีเสียงที่เข้าไปในหูของมันนั้นได้สร้างความเสียวสิยองให้เกิดขึ้นแก่มันจนกระทั่งมันทนไม่ได้ จึงได้หอนออกมาโดยธรรมดาประสาทของสุนักมีความไวมากและจําแม่นเพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้สุนักตามล่าสัตว์หรือใช้ตามหาผู้ร้ายได้ดีเพราะประสาทของสุนักมีคุณสมบัติพิเศษนี่แหละเวลาโอปปาติกาเข้ามาใกล้มันจึงสามารถรับความสั่นสะเทือนอันนี้ได้แล้วรู้สึกเสียวสยองหรือพูดอีกในย่าหนึ่ง คือรู้สึกไม่สบายจนทนอยู่ไม่ได้จึงได้หอนขึ้นมาคำอธิบายของท่านนี้รู้สึกว่ามีเหตุผลน่าเชื่อทีเดียวหมายเหตุผู้อ่านขอเล่าประสบการณ์ตรงสักอย่างนะครับสมัยก่อนชาวอาพาร์ตเมนต์อยู่ใกล้กับวัดทุกก่อ น, นอนนั้นจะต้องสวดมนต์ยาเป็นประจำ ก็มีเรื่องน่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะครับว่าทุกครั้งที่แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลจะมีเสียงหมาหอนไล่มาตั้งแต่ที่วัดจนมาถึงซอยที่อาศัยอยู่ซึ่งมันก็น่าแปลกนครับว่าทําไมต้องหอนตรงเวลาและเหมือนกับมีอะไรสักอย่างกําลังเดินทางจากที่วัดมาจนถึงบริเวณตึกที่ผมอาศัยอยู่นั้นแล้วระหว่างนั้นก็เกิดเสียงหมาหอนรับเป็นช่วงตั้งแต่หน้าวัดจนมาถึงบริเวณใต้ตึกและมาตรงเวลากับตอนที่อุทิศส่วนกุศลด้วย ในเรื่องของเสียงเดินและเสียงของวิญญาณที่มาทําให้ได้ยินนั้นส่วนตัวแล้วไม่สงสัยนะครับเพราะว่าเจอมาเยอะมากเจอมาจนไม่กลัวแต่รู้สึกตกใจหรือกลายเป็นรําคาญซะมากกว่าให้ลองคิดนะครับว่าเราอยู่ในห้องของเราดีๆแล้วมีคนที่เราไม่ได้รับเชิญเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยความรู้สึกรําคาญในคนที่เข้ามานั้นก็ไม่ต่างกันในเรื่องของการเชิญวิญญาณนั้น ในรถในบ้านที่เป็นของเราจริงและสร้างขึ้นมาใหม่นั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับถ้าเรามีเรียกเขาเข้ามาเขาก็เข้าไม่ได้ไม่ต้องจุดธูปอะไรทั้งนั้นเขาจะเข้ามาได้ตราที่เราอนุญาตให้เขาเข้ามาท่านว่ายกเว้นเจ้ากรรมในเวรที่ถึงแม้เราไม่อนุญาตก็เข้ามาอยู่ร่วมกับเราได้ด้วยผลกรรมในอดีตที่เปิดช่องให้เขาเข้ามาเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้เรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าญาติพี่น้องเราตาย เราไม่ต้องรอทำพิธีอะไรทั้งนั้นสามารถดูด้วยกลับบ้านได้เลยทำเหมือนว่าเขายังมีชีวิตเปิดประตูก็เรียกแต่ต้องเอ่ยชื่อให้ชัดเพราะไม่อย่างนั้นถ้าสาักแต่ว่าพูด ล, ลอยๆว่าให้ตามมาให้ขึ้นรถบางทีก็ทําให้ผีหรือวิญ ญ, ญาณอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องสามารถขึ้นและตามมาได้เช่นเดียวกันและทางที่ดีเมื่อเรียกกลับบ้านแล้วก็ควรหาเวลาอธิบายให้เขาเข้าใจบอกเขาให้ทราบว่าตายไปแล้วให้หมดห่วงกับเรื่องทางโลก ให้ไปรอบนสวรรค์อยู่บนสวรรค์ให้สบายก่อนแล้วเดี๋ยววันหนึ่งพวกเราก็จะตามไปเจอกันเองที่นั่นซึ่งการทำแบบนี้อย่างน้อยก็จะได้ไม่ต้องให้วิญญาณเขาเร่ร่อนอยู่ในบริเวณนั้นและให้ตัดห่วงอาลัยจากโลกนี้ได้ง่ายขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเขามากที่สุดในเรื่องการปฏิบัติตัวต่อคนตายนั้นแนะนำให้ฟังจากหนังสือชุดแววเสียงสวรรค์และในชุดโลกทิพย์ ซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยและที่ดีที่สุดก็คือจะมีประโยชน์กับคนที่เพิ่งตายได้อย่างแน่นอนก็ขอฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับ